I'm n a โคศินสถาปาะะนาคุงรัตนโกศินลป์หลังจากปรับรามพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในปีพุทธศักราช2325แล้วสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงใช้พระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยชดฟ้าจุฬาโลกและได้ย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามา ย, ยัางฝั่งตรงข้ามและตั้งชื่อราชธานีใหม่นี้ว่ากรุงเทพมหานครพร้อมๆกับการสถาปนาราชวงศ์จักรีขึ้นมาพระองค์ทรงฟื้นฟูนฟขวัญกำลังใจใ ห, ให้กับประชาชนที่ยังห ว, ดวาดผัวกับศึกพม่าเมื่อครั้งสอง ควเสียกรุงศรีอยุธยารวมทั้งตลอดสมัยกรุงธนบุรีด้วยการนำแบบแผนต่างๆของราชสำนักอยุธยามาใช้รวมทั้งอัญเชิญพระบัลูุสําคัญมาไว้ในกรุงเทพด้วยวะะัดทนะศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วเป็นแบบอย่างชัดเจนที่พระองค์ทรงระดมช่างฝีมือซึ่งหลงเหลืออยู่ในช่วงเวลานั้นมาสร้างพระชวังและพระอารามที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้เหมือนยกอายุรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยามาไว้อย่างกรุงเทพ